มัจฉิมปาติปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาอิมัจทะธรรมะปริยายัสสะอัตโทสาทายสุมันเตหิสกจังธรรมโอโซตัปโตรีนาบดีอาตมาจะได้แสดงธรรมีกถา พันรนราคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททางหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอาสาลาหะคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงแสดงธรรมจักกบวัตนสูตรหรือเรียกว่าความถมเทศนาหรือเรียกว่าวันนี้เป็นวันที่แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วในโลกแต่ก่อนนั้นโลกนี้ได้มืดมิดทำไมโลกจึงมืดมิดเพราะโลกไม่มีธรรมะถึงมีธรรมะก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าแสดงความถูกต้องในวันนี้พระองค์จึงได้ทรงแสดงถึงสัมมาคําว่าสัมมาแปลว่าความถูกต้องคําว่ามิจฉาคือความไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคือทางพอดีหรือเรียกว่ามัชชิ ม, มาปฏิปทา การที่ปฏิบัติไม่ตึงไปและไม่หย่อนไปการหย่อนไปนั่นใช้ไม่ได้การตึงไปนั่นก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันทำมากเกินไปของดีถึงทำมากเกินไปก็ไม่ได้รับประโยชน์ของดีทำน้อยเกินไปคือย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ได้รับประโยชน์ อาหารที่เป็นข้าวปลาอาหารมันก็เป็นของดีแต่ถ้าเราทานมากเกินไปก็ตายแต่เราทานน้อยเกินไปก็เป็นโรคขาดอาหารสิ่งที่พอดีนั่นคือรับประทานแต่เพียงพอดีในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกชูชกที่ไปขอลูกของพระเวสสันดร เมื่อได้มาแล้วก็มาแลกกับทรัพย์สินสมบัติที่พระบิดาพระราชบิดาของพระเวสสันดรประทานให้เพียงวันเดียวเท่านั้นตาชูชกินข้าวมากเกินไปเลยตายในคำพีท่านแสดงว่าท้องแตกตายก็แสดงว่าของดีนั้นถึงแม้ว่ามีมากเกินไป ว่ามันดีก็ไม่ดีมันมากไปถ้าหากว่ามันไม่มีเอาซะเลยหรือว่ามีน้อยมันก็ไม่พอใช้เพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเป็นคนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายอะไรที่จะเป็นสิ่งพอดีในชีวิตของเราชีวิตของเราที่จะทำความพอดีได้นั้น ก็ต่อเมื่อชีวิตเรามีบุญทุกวันถ้าชีวิตของเรามีบุญไม่มากก็หมายความว่าไม่มีคือไม่มีทุกวันเราทำบุญทุกวันทำไมจะทำได้เมื่อเรามีศีลเราก็มีบุญทุกวันเรามีภาวนาเราก็มีบุญทุกวันเราสามารถทำได้ สินห้าสามารถทำได้ทุกวันหรือเราจะสวดมนต์ภาวนาเราก็สามารถทำได้ทุกวันอย่างนี้เรียกว่ามัดชิมมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางคือเรียกว่าเราสามารถปรับชีวิตของเรานี้ให้อยู่ในภาวะอที่สำเร็จผลประโยชน์บางคนนั่น ใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาใช้ชีวิตด้วยความโลภความโกรธความหลงใช้ชีวิตด้วยแต่ความไม่มีสาระประโยชน์ก็เลยมีชีวิตที่ไร้ค่าแม้เขาจะมีชีวิตอยู่เป็นจํานวนร้อยปีก็ไร้ค่าแต่ถ้าชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีศินชีวิตนั้น เป็นชีวิตที่มีประโยชน์ที่สุดบางคนคิดว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดนั่นแหละคือชีวิตที่เขาดีหรือบางทีก็คิดว่าเขามีเงินเยอะๆนั่นแหละชีวิตของเขาดีที่จริงนั้นถ้าหากว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์เขามีเงินทองเยอะๆ แต่เขาไม่มีศีลเขาไม่มีบุญชีวิตนั้นก็ไรประโยชน์เงินทองไม่สามารถจะติดตนตามตัวไปช่วยอะไรเราได้เงินทองเข้าของบ้านเรือนแคหาสถานลูกเมียสารพัดไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเราได้ความดีเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เพราะความดีนี้ เป็นสิ่งที่เป็นอา마าตธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ตายคุ้มครองป้องกันช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนจุนเจือส่งเสริมชีวิตนั้นนี้ให้มีการพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับผู้เท่มีความประมาทถือว่าเราร่ำรวย มีเงินมีทองมากถือเรามียศฐานมันดาศักดิ์มากแล้วก็เสวยสุขไปตามเรื่องของโลกในที่สุดเมื่อเขาดับชีพทำลายขันเกินถึงคราวตายเขาไม่ได้อะไรไปชีวิตอันนั้นจะดับวุ่แล้วก็ต่ำต้อยลงไปบางทีอาจถึงนรกบางทีอาจถึงเปรต บางทีอาจไปเกิดเป็นสัตว์ในฉนันแล้วเป็นอะไรเมื่อเป็นเช่นนั้นสมบัติอะไรที่ช่วยเขาได้ความมียศถามบรรดาศักดิ์ช่วยอะไรความมีเงินทองเข้าของช่วยอะไรช่วยไม่ได้ชีวิตนั้นก็จะต้องเรียกว่าอับเฉาในที่สุด เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์ในฉานพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์ยากลาบากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยิ่งมีความทุกข์ยากลาบากยิ่งขึ้นคพาเหตุที่เขาไม่สามารถจะทำเงินทองเข้าของเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ไม่สามารถที่จะทำยศถาบรรดาศักเหล่านั้น ให้เป็นประโยชน์ผู้เทสามารถมีความดีรักษาความดีมีความดีไว้ประจำทุกวันเขาผู้นั้นตั้งหากพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าประเสริฐแท้เขาเป็นคนที่เกิดขึ้นมาด้วยความเฉลียวฉลาดเขาเกิดขึ้นมาด้วยความ ดีและเกิดขึ้นมาด้วยความมีชีวิตที่ประเสริฐยิ่งความดีและความชัว่วความดีต่างๆไม่ได้วัดกันด้วยความร่ำรวยไม่ได้รับไม่ได้วัดกันด้วยความสวยความงามแต่ว่าวัดกันด้วยคุณธรรมคุณธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นสิ่งที่วัดว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่วคุณธรรมเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นคนดีผู้นั้นเป็นคนชั่วผู้ที่เป็นคนชั่วผู้ไม่มีคุณธรรมผู้ที่เป็นคนดีเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม อันนี้เป็นเครื่องวัดบางคนนั้นมีเงินทองมากแต่ว่าทําแต่บาปโคงเขาก็มีเพราะว่ามีเงินมากเขา้าจ้างข้าคนนั้นบ้างมีเงินมากเขา้ารุกที่คนนี้บ้างมีเงินมากเขา้าผมเห็นคนนั้นบ้างมีเงินมากเขา้ากินสุรายาเมาบ้าง ผิดศีลบ้างลูกเมียใครไม่รู้ทำผิดตะพืพ้ตพืออันนั้นอ่ะจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเขามีเงินก็เปล่าประโยชน์เรียกว่าขาดคุณธรรมหรือผู้ที่มียศถาบรรดาศักยศถาบรรดาศักคมขู่คูบคนผู้อื่นใช้อำนาจคมคู่บุคคลผู้อื่นให้เสียหาย อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบาปกลับคืนมาเป็นของตอนได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีเงินทองมากแต่เป็นผู้ที่มีศรัทธาเขาก็ได้ชื่อว่าสนับสนุนตัวเขาให้ดีเรียกว่าได้ประโยชน์เกิดคุณธรรม มีเงินมีทองก็ไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้ทานคนยากคนจนพยายามช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากความลำบากยากแข็นนั่นเขาเรียกว่าสร้างบุญเพิ่มขึ้นเรียกว่าคุณธรรมมียศถามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาใช้อำนาจเหล่านั้น ช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือบุคคลผู้ที่มีความลำบากอันนาทเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นผลอันยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างความดีต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาจะทาไม่ได้เขาทำได้และทุกคนก็ทำได้เพาอะไร เพราะว่าคำสอนของพระพุทธศาสนานั้นดังกระหึ่มอยู่ทั่วประเทศไทยยิ่งในวันอาสาฬหาบูชายิ่งดังกระหึ่มอยู่ทั่วทุกมุมทั้งสถานีโทรทัศน์ทั้งสถานีวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือวารสารต่างๆประกอบทั้งวัดวาอารามทั่วประเทศ ต่างก็ส่งเสียงธรรมะอันนี้ออกประกาศเพื่อที่ให้ประชาชนได้ยินได้ฟังเก็เอาไปเป็นคำสั่งสอนละความชั่วประพฤติความดีละอบัยมุกต่างๆอบัยมุกนั่นคือการเสพสุราอบัยมุกการเล่นพันนันอบัยมุกนี่การครบคนชั่วเป็นมิตรอบัยมุก อบายแปลว่าสิ่งเสื่อมมุกแปลว่าหนทางหนทางไปสู่สิ่งเสื่อมเรียกว่าอบายมุกเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงธรรมะนี้ได้กระหึ่มเข้ามาสู่จิตใจแล้วย่อมจะยังความเยือกเย็นให้เกิดขึ้นทีนี้อยู่ที่ผู้เที่รับประชาชนคนทั้งหลายต้องตั้งเครื่องรับ เพื่อที่จะให้ธรรมะเข้าไปฝังสนิทติดอยู่ในใจเหมือนกันกันกบวิทยุเครื่องส่งโทรสถานีโทรทัศน์เครื่องส่งเครื่องส่งแม้จะดีเท่าไหร่แต่คนไม่มีเครื่องรับประโยชน์ก็ไม่ได้ส่งให้ใครดูส่งไปก็ไม่มีอะไรไม่มีเครื่องรับแต่เมื่อสถานีเครื่องส่งดี แล้วก็ยังมีวิทยุโทรทัศน์เป็นเครื่องรับก็ทำให้เกิดประโยชน์ต้องตามที่ต้องการชั้นใดก็ดีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ดังกระหึ่มอยู่ในวันอาสาลหะเช่นนี้ท่านทั้งหลายตั้งเครื่องรับไม่ดีคือตั้งจิตของเราไว้ให้เทียม การตั้งจิตให้เที่ยงนั้นเปรียบประดุจจะพาชนะพาชนะนั้นก็คือสิ่งที่รอรับถ้าพาชนะนั้นตะแคงน้าใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ไหลหมดถ้าพาชนะควา่าเลยไม่ต้องรับกันเลยถ้าภาชนะหงายก็รับน้ำฝนได้เต็มที่จิตใจของเราก็เหมือนกัน เรามีอะไรเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราเรานำธรรมะสิ่งหนึ่งใดมาเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราให้ใจของเรานั้นค่อยเกิดความสะอาดขึ้นตามลาดับเกิดความสะอาดขึ้นมาได้เมื่อไรใจของเราก็เรียกว่ามีสติมีปัญญาก็เรียกว่าแสงสว่างคือปัญญา นักที่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มีปฏิบัติธรรมคือการกระทำจิตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาเพราะว่าใจของคนเราเนี่คือใจที่เปรียบประดุจจลิงลิงนั่นมันอยู่สุขไม่เป็น มันก็จะต้องกระโดดไปต้นไม้ต้นนั้นต้งโดดไม้ต้นนี้ถ้าหากว่ามันจะอยู่เฉยๆมันก็ยังขยับตาตามันก็ยังขยิกมันอยู่เฉยไม่ได้ใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนลิงมันสายแสไปตามอารมณ์ต่างๆสุดแต่มันจะไปเมื่อมันไปเกิดความฟุง้งซ่านดีไม่ดีเกิดบ้าบอ ก, กันไปเพราะอารมณ์ ควบคุมจิตใจไม่อยู่แต่การที่เราควบคุมจิตใจอยู่นั่นถือว่าประเสริฐแล้วแล้วแหละถ้าหากว่าจะให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็นั่งสมาธินั่งสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหมายทับมือเบ้างซ้า ย, ว า, ว, า ว, าายวางไว้บนตกักหลับตานึกพุทโธเท่านี้ก็เป็นสมาธิห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมง นั่งสมาธิไปการนั่งสมาธิไปเช่นนี้หลายวันเข้าจิตนี้ก็จะมีกำลังเรานึกพุโทโธเท่านั้นก็ถือว่าเราภาวนาแล้วจิตมันเป็นสมาธิแล้วโยมทั้งหลายต่างคนต่างก็พูดว่าแหมทำตั้งนานทำไมไม่เกิดสมาธิแหมที่จริงเป็นสมาธิอยู่แล้วโยมเองก็ไม่รู้ เหมือนกันกับเงินมันไหลามาเต็มแซบแล้วเต็มกระเป๋าแล้วยอมยังว่าเงินอยู่ที่ไหนอย่างนี้โง่หรือว่าฉลาดหรือว่าตาบอดหรือว่าตาแจ้เงินเต็มกระเป๋าแล้วยังหาว่าไม่มีสั ก, กตังอย่างนี้ไม่ถูกต้องพราะฉะนั้นเมื่อเราพากันนึกพุโทโธว่าพุโทโธเพียงเรากําหนดพุโทโธเท่านั้นจิตก็เป็นสมาธิแล้ว เหมือน ก, นกันกับคนขับรถพอเวลาจับพวงมาลัยปับ๊บนั่นคือสมาธิถ้าไม่เป็นสมาธิจับพวงมาลัยไม่ได้จะไปจับมันถูกที่ไหนเพราะจับปับ๊บนั่นคือสมาธิหรือว่า <c oughs> <c oughs> <c oughs> เมื่อเราอ่านหนังสือเราจับหนังสือพับถือว่าจิตเป็นสมาธิแล้ว อ่านหนังสือเป็นตัวตัวไปรู้เรื่องเป็นสมาธิแล้วถ้าไม่เป็นสมาธิอ่านไม่รู้เรื่องหรอกฉันใดก็ดีการเทพวกเราว่าพุโทโธพุธโทโธพอพุโทโธพักเป็นสมาธิแล้วนะยอมบางคนบอกว่าพุโทโธเทไลอยก็ไม่เห็นมันสงบนี่เรียกว่าพูดไม่เป็นเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วยังหาว่าไม่มี เมื่อพุทธโธไปเท่าไหร่นั่นแหละคือสมาธิจะกทหากว่าเราจะทำสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปเราละพุทธโธซะแต่เราก็กำหนดจิตให้เที่ยงได้เรีย ก, กว่าจิตเราเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกแล้วญาติโยมทั้งหลายเทท่านทั้งหลายได้พากันมาฝึกฝนหรือทำสมาธิในที่นี้ถือว่าทุกท่าน เป็นสมาธิกันมาแล้วทั้งนั้นมากหรือน้อยอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความขยันของใครถ้าใครทำสมาธิได้ผู้นั้นน่า จ, จะเป็นผู้ประเสริฐเลิจริงๆสามารถที่จะควบคุมในสิ่งที่บุคคลผู้อื่นทำไม่ได้เกิดความเยือเกเย็นเกิดความสมบายเกิดความฝ่องใสเกิดความสะอาด อยู่ในจิตใจนี่แหละหากว่าเราได้เป็นผู้ที่ทาสมาธิมาตามลำดับเกิดความสบายนั่นแหละได้เงินเยอะแล้วบัวบางคนบอกว่าแม้ทำสมาธิมาตั้งนานไม่เห็นมันได้อะไรเลยมันได้แล้วแต่ว่าคนนั้นเขาไม่รู้ำทาไปเถิด สมาธิต้องใช้การใช้เวลาคือเรียกว่าใช้ชั่วโมงบินจะต้องใช้ชั่วโมงบินให้มันยาวๆทาไปเรื่อยวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดือนสองเดือนสามเดือนกี่วันกี่ปีทําไปเรื่อยไปพอทําไปเไปไนี่ยทาเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นอ่ะอย่างเรานึกพุทโธเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นได้เยอะทีเดียวสําหรับการทําสมาธิทุกวัน เมื่อทำสมาธิไปแล้วเนี่ยมันเกิดความสงบความสงบนั่นคือความที่มีสมาธิมากมันมากเที่กว่ารวมตัวมากขึ้นตามลำดับจากขณิกสมาธิเป็นอุปจาระจากอุปจาระเป็นอปปนาเมื่อเป็นสมาธิก็ เ, เสร็จแล้วก็เป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนาคือพิจารณาถึงความเกิดความดับ คือพิจารณาร่างกายเนี่ยให้เห็นว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปจนกระทั่งเกิดนิพพยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสนาเรียกว่าสมถวิปัสนาถ้าใครทำได้ผู้นั้นจะเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นผู้ดีจริงๆเรียกว่าได้กำไรในชีวิตนี้ท่านทั้งหลายขอให้คิดเถิดว่าชีวิตที่มีค่านั้น คือชีวิต ท, ที่มีศีลสมาธิปัญญาชีวิต ท, ที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีค่าล็อกร่างกายนี่เรามาอาศัยจั่วคราวไม่ช้าก็แก่ไม่ช้าก็ตายวยกันทั้งนั้นแต่ในขณะที่ยังไม่แก่ไม่ตายนี่เราพากันสร้างความดีนิไว้ขอให้ทุกคนจงพากันเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมานี้ เมื่อท่านทั้งหลายได้สะดับรับรดซึ่งพระธรรมเทศนาที่อาตมาได้แสดงมานี้แล้วจงพากันนำไปพินิจพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบประการใดแล้วก็จงพากันประพุทไปตามก็จะประสบความสุขความเจริญงอกงามในธรรมวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเ จ, เจ้า ทุกทีพาราตรีการดังได้แสดงนาะเอวังก็มีด้วยประการชนียะ้าวาริวะห้าปุราริกุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตทินังเป ต, ตานังอุปกปติอิจิตังปิตังตุมหังคิพเมวะสมิตฉุสเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนรโสยถามณนโชติลาโสยทาสพีติโยวิวัชชนตุสภโรโววินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาทนะเสริสนิจังพุทธาปจายโนจตตาโรธรรมาวทันตีอายุวันโนสุขังหะลัง